ตอนที่แปเจิงอวิ๋งชิงแล้วเจิงอวิ๋งชงใช้สายตาเตือนโจเจียนเ ย, ย่ฝ่ายหลังถึงกับไม่กล้าเอ่ยปากแม้แต่คําเดียวเขาเกรงว่ายิ่งอธิบายจะยิ่งทําให้คนเข้าใจผิดไปกันใหญ่ช่วงบ่ายเมื่อโจเจียนเยีย่กลับถึงบ้านหลิวเคอเคอร์อยังนึกแปลกใจว่าทําไมวันนี้เขาถึงกลับมาเร็วนักการฝึกจบเร็วหรอคะดีเลยเดี๋ยวคุณช่วยพาฉันออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยนะฉันคุณมีเรื่องสําคัญอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าหลิวเคอเคอยังพูดไม่ทันจบโจเจียนเ ย, ย่ก็เอ่ยปากถามขัดขึ้นมาทันที หลิวเคอเคอยืนตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดหมายความว่าอย่างไรคะอะไรนะคะเรื่องของเสียวันฝีมือคุณใช่ไหมโจเจีนเ้นย้ขมวดคิ้วแน่นไม่อยากเสียเวลาโต้เถียงกับเธอที่นี่หลิวเคอรเคอร์อแซงทําเป็นไขสื่ออย่างเห็นได้ชัดเธอไม่เข้าใจความหมายที่เขาพูดจริงๆหรือว่าแกล้งไม่เข้าใจกันแน่ลูกสาวคุณเหรอหลิวันเธอเป็นอะไรไปละ่ะหลิวเคอเคอถามด้วยความฉง น, นตอนเธอออกไปข้างนอกถูกคนสองคนหนักชิงตัวไป โชคดีที่ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ผมแค่อยากรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคุณหรือเปล่าโจเจียนเย่สูดลมหายใจเข้าลึกพยายามสะกดกลั้นอารมณ์และถามย้ำด้วยความอดทนหลิวเคอเคอร์อรีบสายหน้าทันทีเปล่านะไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่รู้เรื่องเลยเจียนเย่คุณสงสัยฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันอยู่แต่ในบ้านทุกวันแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยอีกอย่างคุณก็รู้ว่าตอนนี้ครอบครัวเรามีสภาพยังไงฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างคนคำพูดนี้ของหลิวเคอร์เคอร์ยังพอมีความน่าเชื่อถืออยู่บ้าง สีหน้าของโจเจียนเย่ดูดีขึ้นเล็กน้อยคุณก็อย่าคิดมากผมแค่ถามดูทางที่ดีเรื่องนี้ควรจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณจริงๆแต่ถ้าเกี่ยวคุณก็ต้องบอกผมและอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นลูกสาวของผมลีชิงถิงไปหาคุณ ม, มาเหรอหลิวเคอเครอรู้สึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่ไม่อย่างนั้นเขาจะรู้เรื่องได้ยังไงลีชิงถิงใส่ร้ายฉัน ช, ชัดๆฉันไปยืนยันต่อหน้าเธอได้เลยนะหลิวเคอเคอร์อพันรู้สึกว่าพอทำเรื่องชั่วไว้เยอะตอนนี้แม้จะไม่ได้ทำอะไรก็ยัังงมมมีคนนนนเเเอออาารื่่ยใสหวธ นี่มันช่างน่ากับแคนใจจริงๆเจียนเ ย, ย่ฉันสาบานให้คุณตรงนี้ก็ได้ฉันไม่ได้ทําก็คือไม่ได้ทําเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะใช้ชีวิตด้วยกันดีๆเอาเธอคุณอย่าอารมณ์เสียเลยผมเชื่อคุณโจเจียนเ ย, ย่ปลอบโยนหลิวเคอเคออย่างอดทนพางยกมือขึ้นตบไหล่เธอเบาๆผมแค่ต้องถามคุณให้รู้เรื่องก่อนเรื่องนี้คุณไม่ต้องยุ่งแล้วเดี๋ยวผมจะสืบหาความจริงเองหลิวเคอเคอไม่ได้พูดอะไรต่อหลีหวานไปล่วงเกินใครเข้าอีกละ่ะสมน้ําหน้าเจียนเ ย, ย่หลิวเคอเคอหาเรื่องทะเลาะกก ผู้หญิงคนนี้ขนาดท้องไส้ ย, ยังไม่ยอมอยู่นิ่งๆเลยช่างไม่ได้เรื่องจริงๆนิวซูเฟิร์นได้ยินทั้งสองคนเถียงกันอยู่ในห้องจึงบน่นพึมพำกับลูกชายด้วยความไม่พอใจถ้ายังเอาแต่นั่งนนอนนอนอยู่บ้านไม่ยอมทําอะไรฉันที่เป็นแม่สามีต้องมาคอยปฏิบัติยังไม่รู้เลยว่าที่เกิดมาจะเป็นหลานชายตัวทองหรือเปล่าแม่ครับถ้าเกิดมาเป็นลูกสาวแล้วจะไม่ใช่ลูกของผมเหรอสมัยนี้มันยุคไหนแล้วไม่เลิกพูดเรื่องให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงกับผมเสียทีถ้าเรื่องนี้หลุดไปถึงเขตทหารหัวหนหนน้้าาตตองํิผมแ่ โจจี้ยี่อาศัยจังหวะที่ออกมารินน้ำถูกแม่ของเขาดึงตัวมาพูกระสิบประซาบยิ่งทําให้เขารู้สึกรําคาญใจมากขึ้นเสี่ยวหวานก็เป็นลูกของผมเหมือนกันแม่ที่เป็นย่าแท้ๆกลับจ้องแต่จะเอาชีวิตเธอจนตอนนี้เด็กไม่ยอมใกล้ชิด ก, กับผมที่เป็นพ่อเลยในใจของโจจี้ยนเยี่ยหากบอกว่าไม่มีความขุ่นเคืองก็คงเป็นเรื่องโกหกแต่เขาจะทําอย่างไรได้ผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้ๆของเขาในเมื่อเขาเป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องเป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องแล้วจะเป็นลูกที่ไม่ได้เรื่องอีกคนไม่ได้ จจี้เยี่ยนเย่ย ต, ตื่นหนิวซูเฟินอีกครั้งแม่มาที่นี่เพื่อดูแลเคอเคออย่าพูดเรื่องไร้าสาระพวกนี้อีกความสงบสุขในครอบครัวสาคัญที่สุดจําไว้หรือยังครับตอนนี้เพื่อลูกชายแล้วไม่ว่าความอัดอั้นตันใจแค่ไหนหนิวซูเฟินก็ทนได้เธอจะพูดอะไรได้อีกฉันว่าหัวหน้าของพวกแกก็คงว่างจนไม่มีอะไรทําถึงได้มายุ่งเรื่องส่วนตัวบ้านคนอื่นตั้งแต่โบราณมาการสืบทอดวงศตระกูลมันก็เป็นเรื่องปกติที่สุดทําไมพอมาถึงบ้านเราเรื่องนั้นก็ไม่ได้เรื่องนี้ก็ไม่ดี หนิวซูเฟินคิดว่าตนเองไม่ได้ทำผิดและลูกชายของเธอก็ยังดีอยู่ต่อให้ท้องนี้เกิดมาเป็นลูกสาวท้องต่อไปก็ต้องเกิดมาเป็นลูกชายให้ได้ถ้าเกิดลูกชายไม่ได้ก็ต้องเกิดไปเรื่อยๆจะให้สิ้นทูปสิ้นเทียนของตระกูลโจไม่ได้เด็ดขาดแม่โจเจี้ยนเ ย, ย่ได้ยินดังนั้นก็เตือนเธออีกครั้งไม่ให้พูดจะเละเอ็ดที่นี่จะจะรู้แล้วฉันก็แค่พูดต่อหน้าแกไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ไปพูดกับหัวหน้าของแกเสียหน่อย นิวซูเฟินคิดว่าตนเองอยังไม่โง่ถึงขนาดนั้นเรื่องบางเรื่องแน่นอนว่าต้องแอบพูดรับหลังผมกลัวว่าถึงเวลาแม่จะหลุดปากนัสิแม่เข้าใจคำว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องไหมรู้แล้วจ้ะต้าหยวนเจิงอวินฉงบอกว่าจะกลับมาเร็วหน่อยลีชิงถิงรอเขาจนถึงเวลาประมาณห้าทุ่มถึงได้ยินเสียงเขาผลักประตูเข้ามากลับมาแล้วเหรอคะลีชิงถิงถามเสียงเบาทานข้าวหรือยัง ในบ้านนี่มีเนื้อแห้งอยู่บ้างทานรองท้องก่อนไหมคะถ้าอยากทานของร้อนๆเดี๋ยวฉันไปทําให้ทานที่โรงอาหารมาแล้วครับเจิ้งหวินชงกลับมาดึกขนาดนี้นึกว่าเธอจะหลับไปแล้วเขาจ้องมองลีชิงผิงด้วยสายตาซับซ้อนทำไมยังไม่นอนตอนนี้คุณตั้งครรภ์อยู่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะถ้าคุณไม่นอนลูกในท้องก็ไม่ได้นอนด้วยนอนดึกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะลีชิงผิงพูดอย่างไม่ใส่ใจเธอจ้องมองเจิ้งอวิ๋นชงตาไม่กระพริบคือว่าคุณมีอะไรเหรอครับเจิ้งหวินชงเห็นเธออึกอกัด ซึ่งถามกลับมีอะไรจะพูดหรือเปล่าคุณคงไม่ได้โกรธที่วันนี้ฉันไปหาโจเจี้ยนเย่ยใช่ไหมคะฉันฉันอดทนทนไม่ไหวจริงๆต้องไปถามเขาให้รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เขาคอยคุมหลิวเคอเคอให้ดีอย่ามาหาเรื่องลูกสาวฉันอีกเรื่องของผู้ใหญ่ก็ให้ผู้ใหญ่จาัด ก, การกันเองอย่าเอาเด็กมาเกี่ยวเด็กเขาไม่รู้เรื่องด้วยหลี่ชิงพิงขมวดคิ้วพูดฉันแค่ไปเตือนเขาเท่านั้นเองคะ่ะผมรู้แต่คุณกําลังท้องอยู่คุณไม่กลัวว่าถ้าเกิดการประทะ ก, กันขึ้นมาแล้วคุณจะได้รับบาดเจ็บหรอ วางใจเถอะข้าฉันต้องปกป้องลูกอย่างดีแน่นอนใครพูดเรื่องลูกกับคุณกันครั้งนี้เจ้งเางวินฉงโกรธจริงๆแล้วผมพูดถึงคุณเรื่องลูกน่ะเป็นเรื่องรองคุณไม่กลัวว่าเขาจะทำร้ายคุณบ้างหรือไงลิชิงทิงกับพริบตาปริดปริดพลางอึ้งไปเล็กน้อยเอฉันรู้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายฉันหรอกข้าลูกก็จะไม่เป็นอะไรด้วยในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนหรอกนะเจ้างวิงฉงพูดด้วยน้าเสียงจริงจัง ชิงผิงตอนนี้คุณตั้งคันอยู่มันก็อันตรายอยู่แล้วคุณยินจะไปคลุกคลี ก, กับคนอันตรายแบบนั้นอีกคุณรู้บ้างไหมว่าถ้าเกิดคลอดก่อนกําหนดแล้วมีอาการตกเลือดขึ้นมาทั้งคุณและลูกจะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้เลยนะหลี่ชิงผิงคิดว่ามันคงไม่ร้ายแรงขนาดนั้นมัง้งเธอเนี่ยนะจะตกเลือดเมื่อคิดได้ดังนั้นหลี่ชิงผิงก็รู้สึกว่าตอนนี้เธอควรจะรีบนออเจิ้งอวินฉงเสียหน่อยเขาคงคิดมากไปเองผู้ชายคนนี้ปากก็บอกว่าไม่ได้หึงแต่ในใจคงจะรู้สึกไม่ดีอยู่่แนๆ